กับมาดูข้อหน้า1้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกนะครับข้อที่สี่สี่ที่สู่รูปใจพึงสำเร็จการนั่งน่อาสนะกำบงังอันเป็นที่รับตากลับมาสุกทางโดยมีใจมุ่งให้เป็นที่รับต้องอาบัดปาสิตรีเาก็เหมือนกันในอันนี้อยอที่เราเรียน ม, มาแล้วนะ คำพที่มาท่านจะไม่ว่าแล้วนะครับนัน่งนอัสนะกาบางครับก็หน้าที่กาบังด้วยฝาด้วยกอาแพงด้วยประตูด้วยอะไรเนี่ยนะแม้ม่านบังเอาเอาไหมครับ ม, นะม่านบันเ ง, อ ง, องเอาหเอาได้ไครับคุก็บังเหมือนกันทางพาเอานที่เราเจอในข้อไหนอ้นขอข้อข้ออข้อนอนน อ, อนอนใช่ไมม่มานกอา อันนี้พูดถึงฝานะครับฝากําแพงประตูอะไรพวกนี้มาบังนะครับคือส า, า, ามารถอัศนคติกำบังนะที่สุดทุมาตุคางนะครับขยิตาย่างคีดรู้ว่างเงส่งฤาษีแสคนที่อยู่ข้างนอกมองเข้าไปไม่เห็นนะเป็นที่บังที่ในข้องนะครับคขยิบข้างนอกกขามองไม่เห็ น, นก็จบก็เทึหรือว่ามองเขา ไ, ไม่เห็นใช่ไหมไม่รู้ว่าทําะไรกันนะครับนั่นแหละกําบังอย่างนะ สามารถที่จะแบบเสร็จในถุงทำอะไรกันได้นะในที่ล่อมนนแล้วก็โดยมีใจมุ่งที่ล่อมด้วยนะถ้ามใจมุ่งที่ล่อมยินดีในการมุ่งนาที่ลอผู้นครับมีใจก็ต้องแบบปาดีนแม้ในล่อก็โดนได้ใช่มติดทีกองแสเอใครจะไปรู้หรือเลาพังง่ายเลยก็ยินดีนะก็โดนสองต่อสองนะ ต่อไปค่ะมันเริ่มเป็นแก็ยังมาจากเข้ากำนวนอย่งนี้เ้าจำนวนเท่าไรอย่างนี้ครับเเท่าไรสองร้อยห้าร้อยห้าอยก้าอีสามเรื่องพรบปันนันท้าสามไยาบุตรโดยสมัยนั้นพระพาผธ้เจ้าประทําอยู่หน้าพรเชษวัน อาราขอาถามบิธิกะข้ามบดีเขตพระนครสามนาทีครั้งนั้นท่านโรกปณัชาสานายบุตรไปสู่รุนของสหายแล้วเกิดการนั่งในที่รับคือในอัศนะกําบังกับภรรยาของเขาไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าก็เมื่อกี้นะหรือว่าคนละคนนะครับใไปชอบภรรยาเขาหรือยังยังยังรู้ไหมครับเข้าเส้นนั่งอยู่ที่จึงรู่สหารนั้นเท่งเข้าดิจเจนพัฒนาว่า ชไนพระคุณเจ้าปนนท์จึงได้เกิดการนั่งในที่ลับคือในอาสนะกำบังกับพรรยาของเขาเล่าน่าจะขเรานี้เนาะที่สุกุมังค์น้อยสนโดดในข้าวเพ่งเพื่อดิเวนกุนาแล้วกาลนี้พระเจ้าสรงทราบผู้หล่อก็ทรงสอบถามทรงสืบเตียนแล้วก็มีจิตฐานบทนี้ขึ้นมาครับเขาว่าผู้หญิงในที่นี้นะเอาหญิงมนุษย์นะไม่ใช่หญิงยักไม่ใช่หญิงอะไรไม่ใช่เต่การตัวนี้ ดิืนสุดแม่เหญงที่เกิดในวันนั้นก็ไม่ได้ไม่เอาพูดถึงหญิงผู้ใหญ่นะเล็คาแเราก็เป็นนะครับในที่เล่าเรื่องกำบังนะครับที่ล่าพิซูมาที่เล่าตนาะถ้านบอกว่าซึ่งเมื่อพิซุดอ ม, มาตุคามขีบตายยักคิ้วหรือเชิงศีรษะไม่อยู่ใครสามารถจะอะไรเห็นได้แต่มกมบังที่นี่ครับ เนี่ยอาเซน่าที่ชื่อว่ากำบังนะัะอ๋อแม้ม่านบังนี่ก็โดนนะโดนเหมือนกันเป็นอนาเซน่คือที่นั่งที่เขากำบังด้วยฝาบานประตูเสื่อลำแพงม่านบังเนะี่ยมีม่านบังก็ไม่ได้นะโดนครับต้นไม้เสาหรือฉางข้าอย่างใดอย่นะึ่งที่ว่าเข้าไปนั่งในเต็นท์กับผู้หญิงเนี่ยนะโอ้ครับอ ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ได้นะไม่ได้นะก็โดนเหมือเลยนะกถือว่าเป็นที่บัง แม้นขนาด ม, ม, มาก ม, า, มากมา น, นึ่ก็เบาหน้าทางในการนั่งเขาว่านัง่งนี่นะสงเคราะห์อิริยาบถนอนด้วครับก็คือเมื่อมาจุดเท้านั่งแล้วพิสูจนนั่งกล้กับนอนใกล้ก็ดีใช่ไหมเมื่อพิสูจนั่งแล้วมาจุดเท้านั่งกใกล้กับนอนใกล้ก็ดีทั้งสองนั่งทั้งสองนอนก็ดีต้องบัดเป็นดีทั้งนั้นครับคือนั่งคนหนึ่งนอนคนหนึ่ง เือนั่งนอนทั้งสองก็ต้องมาทนั้ น, นะนนออ่อันนี้จะว่ากันยังงี้นะตอนในกางขงันนัก็อธิบายนะทีนี้เป็นติการไปอีอื่นกันนะเป็นผู้หญิงใไมเข้าใจของาสารครามพิษเขาเป็นหน้าที่รับแล้าป้าบาปทนะั้งนั้นแต่ถ้าเป็นหน้าที่รับ ก, กับหญิงอมนุษย์นรรหญิงยักหญิงเปลงบันดอดในสถานจูเนีย ที่แปลงการมนุษย์ได้นะพวกนางหน้านางอะไรนะคุดใช่มครับเนี่ยอันนี้ต้องแบทุกกดอาบแบบเบาไปหน้าทีหแรกแบบเธอยังนดนเขาไม่มีใจมุ่งที่เราก็แล้วกันนะยังต้องอาบกดเลยนะครับไม่ใช่ผู้หญิงเลยแต่ไปเข้าใจผิดเลยว่าเกี่ยสายก็ยังต้องแบบกดแล้วก็อนาบัณนะครับอนาบัณเนี่ย พ่สุกมีบุรุษผู้รู้เรี้ยงษาคนใดคนหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนได้นะครับบุตรคนนั้นต้องไม่บอดนะไม่ใช่คนตาบอดไม่ใช่คนหูหนวกนะบอดตาดีหูดีนะเป็นเพื่อนได้เข้าไปอยู่ในห้องได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเข้าประตูอีกข้างนอกยังากานอาบอดไม่ได้นะครับต้องไปอยู่ข้างในเลยไม่บอดไม่หนวกนะถึงเม้ว่าจัะหลับเคลิอมไปบ้านนะไม่หลับสนิทเคลิ้มไป ส่งใจไปที่อืนอะไรเนี่ยก็คานาไปไ้รู้เดีงสานะผีสุยืนไม่ได้นั่งถ่ายืนมาตองอาบัตินครับอ่าเขาบอกเข้าไปฝ่าเหมือ น, อ น, มนผมไม่ได้นั่งผมยืนเนีย่ยไม่เป็นไรผีสุไม่ได้มุ่งที่รัาท่านใส่ใจกาลังท่องกั่ใจน่าสูดอย่างนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ไมเป็นนะครับถึงว่าผีเข้าไปในห้องนั้นด้วยนะไม่เป็นก็สาอใใจผีไม่ได้มุ่งที่ร่านะครับ อันอันนี้มีข้อนัอนคือถ้าไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจว่าเป็นที่ร่ำนะครับแต่ตว่าอยู่ถ้าไม่ไดเข้าใจมาล่ำอะไรนะที่สูนั่งส่งใจเ ป, ป็นอนารมณ์อยู่อาจจะปลาร์กกรรมฐานหรือเนื่งองะไรไปยเยก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ใส่ใจปี้งนี่นะอันนี้ก็ไม่เป็นที่สูนิกรจุดจารึากกรมิการไม่ต้องอาบหมัไหนนี่นะครับครับเลยอ้ามี่นอนใ แล้วหมอไม่เป็นไรหมอมาได้นั่งใช้ไหมหมอมาได้นั่งข้างนอนครับเล่นจะไรครับนคือคือมันต้องนั่งหรือว่านอทั้งสองฝ่ายพระครับถ้าเกิดหมอนั่งนั่งครับพระต้องรีบลุกเลยหมอโรงพยาบาลนั่งที่นั่งหมอผูหญิงนั่งก็ต้องรีบลุกขึ้นนั่งเอดะีบก่อนนะ แค่ถ้าไมนมีใจมงี้เาก็มาต้องบาครับไม่มีใจมุ่งที่ดราแค่ก็ไม่ต้องลำบากาบาน ะ, ค, ะค่อบก้าข้อนี้ไม่ไม่ค่อยเสียงเท่าไหร่หรอกเสี่ยงข้อที่แบบนองโลดใชายค า, า, าสามาธิคาเสีส่ยงครับแต่ในห้องพิเศษมันจะดีหน่อยใช่ไหมมันจะแยกสีโทนนึ่งที่ว่าไม่ได้ห้องันอันนั้นก็ประกันได้นะครับข้อนี้นเป็นสำัเราะเป็นคนเดียว อ๋อถ้าผู so, so, so, no. So, no. ้หญิงตั้งร้อคนก็การอาบัติไม่ได้ครัไม่ใชครับครับเนี่ยการอาบัติไม่ได้เลยเออผู้ชายเท่านั้นถึงการอาบัติได้ครับมีพยาบาลเข้าไปรักษาคนอย่างนี้น่ะก็ผู้หญิงเท่านั้นครับการอาบัติเท่านั้นถ้าเสียงนะนั่นก็ยินดีหมดเลยช่วคนอะไรอย่างนี้นะอ๋อโดนครับน็เปาต้องระวังให้ดีนะไปละมงละบาลใช่ไหม คือตอีแรให้ดีนะเกิใจแงอะไรน่นะเออลำากเนะเนี่ยท่านูงนะที่อเจหมกัลยนะตัแต่เอันนี้มู้ถึงพูถึงนะ มันบอกว่าครับอ๋อนี่ปัญหาพูดไปแล้วนะครับหลับบ้างอะไรบ้างเป็นไรคนตาบอกนะครับถึงจะนั่งอยู่ใกล้ๆ ก, ก็การอ่าบัตบไม่ได้นะครับ อ, อันนี้ตาารบอกอย่างเดียวนะแต่ว่าหูหนวกก็การอานแบบได้นะครับเพราะว่าถึงหูหนวกใช่ไหมแต่ว่ามีตาดีก็เห็นหมดว่าทําอะไรแอนใช่ไหมครับ อ, อันนี้เอาบอกมือเกณฑ์นะ คนตาบอดคุณจะนั่งอยู่ใกล้ๆการอาบแัดไม่ได้และหญิงตั้งร้อยก็การอาบแบบไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องคนตาดีครับตาไม่บอก น, นะคนก็จบนะต่อไปในกลางขาเลยก็เดี๋ยวมาอา่านบทีเดียวเลยนะครับกร ม, มมันต์ิวโบทจบที่สี่เลข้อที่สี่สิบ้าเสิบห้าหน้าร้อเจ็ดสิบหกนะครสี่สิบห้า 45, นะครับ ที่สู่รูปใจคือสำเร็จการนั่งนะที่รับหูตามลำพังกลับมาทางโดยมีใจมุ่งให้ไปที่รับต้องอาบัดปาจิตีครับตอนนีหมายถึงที่รับหูมันไม่มีอาสะนะต่มบางนลยนะไม่มีอะไรบางนะคนอยู่ข้างนอกก็มองเห็นแต่ว่านีรักสมีสิบสองสอบหงไม่ได้ที่นั่นะ ไม่มีใครอยู่เลยมีแต่แพทอ์กผู้หญิงนะครับอยู่ด้วยกันสองต่อสองนะหนึ่งต่อหนึ่งนะครับที่เล่าหมันจะป่อยไหมอยู่ด้วยกันัวสี่คนเล่นกันหนึ่งตัวหนึ่งถ้าเป็นที่ล่าหูนะผู้หญิงเนี่ยการอาบัตได้นะครับที่เล่าตาผู้หญิงการอาบัตไม่ได้แต่ถ้าเป็นที่ล่าผูเนี่ยผู้หญิงการอามบัตได้อันนี้เอาผู้หญิงขนาดว่าผู้หญิงรู้เรียหานะ ไม่อย่างถึงขนาดยิ้มแบบพี่มันเียนภาษไม่เอาหรเไอ้หญิงเียนภาษาูคําพูดที่เป็นสุภาิตที่พาสอวาจาช่วยหยาสุภาาม่ได้ไอ้หญิงขนาดนี้รอเพ่อที่เกี่ยวกับการการพูดเกี้ยวหญิงพูดพลาดทิ้งาดาเบาเขาเก็หญิงขนาดนี้หรอเเนี่ยถ้าก็แบนนัที่รับหูเนี่ยนะดื่มใจมุ่งที่รับต้องต้องบัดลาติดตี เียตัว อ, อย่างอะไรนะเช่นโยมมาขวามนนาสงารใช่ไหกัโยมผู้หญิงมาคนเดียวี่ไครับผมเจอนาะมาคนเดียวยรงนอยู่ผู้หญิงครับมาคนเดียวนีเหมือนกันนะใครเจอไครับพโยมผู้หญิงมาคนเดียวไม่เจออ๋อครับแต่มันอายุมากแล้วนะนี่นผมก็แค่อนุญาตเป็นนั่งเป็นเพื่อ น, นครับว่าแกมาคนเดียวมาสนอพ่อเ <c oughs> ราข้าวเลยบอกอย่าทำเงี้สนอพ่อ <c oughs> ก็เลยเกิดพระกรณิพนิพพ์ใ่ง ใ, ใแก่นัธรามะีนะอันนี้นะครับต่างกันเชื่อว่าที่เล่าตางกับที่เอ่าผมนะอันนี้เอาหนึ่งกับหนึ่งจริงนครัาวนี้ก็มาดูต้นบัญญัติก็ยัมาจากพระประทานสารกิจบุตรนะครโดยสมัยนั้นพระ พ, พุทธเจ้าประทําอยู่หน้าพระเชตวันอาลางของนาถบินกาข้ามบดีเข็ญพรนครสามวถี ครั้งนั้นท่านพบปรัญชาสารยบุตรไปถึงเรื่องของสถายแล้วสมัยการนั่งเล่นที่รับกับภรรยาของเขาหนึ่งต่อหนึ่งรอบเป็นที่รับหูใช่ไหมรับตาเป็นเจ้าชมันอย่างกาศน่าจะก็เรียกเอารับหูก็ได้นะครับเนี่ยนะจึงบุตรสถายนั้นเพ่งเทาดิสเน่โฆษณาว่าขณนที่พ่คุณเจ้ากนนจึงได้สมัยการนั่งเล่นที่รับกับภรรยาของเขาหนึ่งต่อหนึ่งรอบ เรื่องนี้ก็ไปถึงจ่ดสุดท้ายผู้มั่งมีสันเดษแต่ว่าเพง่งเท่านิยบตนธนาและก็กาบเพื่อเจ้ า, าสันต้าเขาก็ได้ออกซองสองฐานทรงสี่เตียพงพวกกันนท์และก็มียาสีขาบนนี้ขึ้นมายิงในที่นี้บอกว่าอายิ ม, มนุษย์เหมือนเดิมนะยินที่รูร้ดีภาษาะะสามารถทราบค้อยขาที่เป็นสุภาป็นทุภาสิตชั่วยามนะสุภาได้ หนึ่งต่อหนึ่งนะที่ราบหูเอาขนาดไห น, นรัศมีต่อต่อในที่นั้นนะไม่มีใครอยู่เยอะหนึ่งต่อหนึ่งสถานที่ซึ่งไม่มีใครสามารถจะได้ยินคท่อยคําที่สนทนากันตามปกติดได้นั่นแรั้นสมีของแม่ในจะไม่มีใครอยู่นะพู่อะไรกันนะถ้าคนอยู่ไกลกว่า น, นั้นก็จะได้ยินไม่ถ น, นัดครับถือว่าลากหูได้ สำหการนั่งก็เหมือนกันในสิกท้าวันนี้เพาว่านั่งเ่ยก็สองข้ออิรยาบถนอนนู่นนะครับจะนั่งคนหนึ่งนอนคนนึงนั่ง้าสองนานั่งสองก็แล้วแต่นะวงล้อประมาณแบบทนั่งนครับก็ผมเมื่อที้อธิการไปอีตรีเนผู้หญิงใช่มหมข้อใจของศาละท้อผิดเนี่ยครับก็ที่เหลือก็เหมือนกันนะนั่งนั่กับหญิงย่างหญิงเปลนะครับกับบรนดอนนี้ก็ยังทุกกดเหมือนเดิมไม่จริงเท่านั ถี fruit fruit ages, ่ขนาดไมีพูดถึงครัส่งข้อได้นะแต่ถ้ามีบุตรครูเดียงสาอยู่นะครับอนาบัตรก็เหมือนกันมีบุตรครูเดียงสาคนในคนหนึ่งเป็นเพื่อนก็การอาบัตรได้เหมือนกันหมดเลยนะครับที่สุยืนไม่ได้นั่งนะก็ไม่เป็นไรไม่ได้มุ่งที่ร่าส่งใจเป็นอารมณ์หรือวิจกรแห่งพฤกษามีกรรมไม่ต่ออาบัตรแลยเพียงแต่ว่าข้อนี้ถ้ามีเพื่เป็นเพื่อนก็การอาบัตร ได้เหมือนกันที่รับฟูนะที่รับหนึ่งครแต่ที่รับฟังไม่นะที่รับฟังไ่นะก็เพราะไอ้เรื่องพวกนี้นะเรื่องเรียวความพูดนะครผู้หญิงเขาจะไม่ปอกผิดของการหลอนนะเพราะว่าเขาพูดเก่งอยู่แล้วใช่ไหมเผื่อถ้า<ม>พูดอะไรออกไปไม่ดีเพื่อนอะไรเขาก็ต้องไปปรึจษาไปนินทาผู้นญแล้วนะครั่องผู้หญิงในการอาา่านบได้ทางผมในที่นี้นะหญิงก็ดีชายก็ดีคนใดคนหนึ่งรู้เรียงสาแล้วนะ ไม่บอดไม่หนูอยู่ในสถานที่ภายในจุดสอง ส, สอนะจะยืนก็ตามนั่งก็ตามคิดไปเรื่องอื่นอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามแลเ้เคลิ้มไปบ้างอะไรบ้างปัญหานะการอานบัตรได้เท่านั้นครับต้องไม่บอดไม่หนูในข้อ น, นี้นะครับเอาไม่บอดด้วยแล้วก็ไม่หนวกด้วยแต่ผู้ที่หนวกนะถึงจะมีตาดีก็การอ่าบัดไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าคุยอะไรกัน <S <S <S <S ใช่ไหม <S <S เห็นแต่ผ้าไม่ยินเสียงนี่นะก็ดูที่ปากเราแล้วไม่รู้ไม่ใช่เจนครับหรือผู้บอกแต่ผมไม่หน่วเนี่เนื้อกันอาบัตไม่ได้ครับได้ยินเสียแต่ไม่รู้ผ่าจะทําอะไรก็ได้นะจับไม้จับมือไม่รู้นะครับต้องหมดทันทีทั้งหมดเลยนะไม่บอกไม่หน่วงหระกการอาบไม่ได้ทีความต่างกันแข่งสิขาบุนินการสิขาบุนที่หนึ่งก็อันนี้ไม่มีอะไรมือนกันก็จบครับคนี้ นี้มาดูันควาที่มาในการขารน่นานนแล้วก็พูดสรุปสุดสิ้นะครัอในการขาหน้าสอง้สิบสองข้างล่างนะสิขาบทที่สี่ที่ห้าเพื่อพระาเจ้าทรงปาลบเท่าปนันทะในเมืองสามวสีบรรจัยเวลาข้อเหตุคือการนั่งอยู่บนอาสนะที่กำบงังข้อสี่ใช่หัหยและไหนที่นะรักที่รัูที่ เป็นสารธรณบางอย่างของพิจุนีก็มีนะแต่พิจุนีเปลี่ยนเป็นนั่งในที่เล่ากับผู้ชายนะครับมีเหมือนกันยากระหนาที่คุณีอะไรอย่างนี้กระหนาฮะ <c oughs> ยากะหนาที่คุณีบุริสัสสาก่ไหมอะไรย า, ยากระหนาที่คุณีบุริเสนาครับระโหระ ห, ะระหนิสชามตเปยยะอะไรอตรัวนะอย่านะมีเหมือนกันนะก็ไม่ได้ถุหลายวันครับ ผมเจ็บคลองก็เลยไม่ได้เทั่ยวหลายวันเน่ยต้อกลับไปเที่ววิซุนีนะอันนี้วิซุนี้ก็มีเรื่องมูลฐานเป็นต้นของสิกขาบททั้งสองนี้เป็นเช่นกับในปฐมปราชิกขาบทนั่นเองก็คือนะครับปฐมปราชิกขาก็คือกายจิตนะครับจำไว้เลยในการจิตนะไม่มีจิตยินดีแค่เมื่อกป็นโลภะนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในที่เราเองด้กันอันนีนะครับ คาถาในที่เหลือคุณทราบอยู่ในดังการกันแล้วแนนย่อทั้งสองสิกขาบทการอธิบายด้วโหปฏิชนะสิกขาบทและละโหนนิสชาสิกขาบทโับเอ๊ะทาไมองคท้าไม่ได้พูดถึงเลยในนี้ท่านบอกว่าได้พูดได้หมดแล้วคนะแนนย่อพูดองเลยหรือเปล่าเขาต้องมีองเพื่อในคือองอามบัตและอาณาบัตเพราะเลื่อนี้เข้าไปรวบรวม โ อ, อาา้ไม่มีนะมีแต่อานาบัตครับไม่มีองค์อานแบัตไม่ได้พูดถึงเลยสิงี่เขาให้ไม่ได้พูดถึงนะครับมาก็อานบาบัตแรงนะอนเสร็จแรงไม่เลยคำดีในเรื่องสิ่ น, นี้ก็ไม่ได้พูดถึงวันนี้ก็แค่ีก่อครับในท้า่สุด น, นี้ขอความเจริญงะกงานในคำวินัยของพระสมาสิเจ้าจกิดขึ้นม่อไห่ด้วยการท่ขทันข้นเลยจตจ ธานธมะุข <men> ์ธรรมวัฏฐธรรมวันธรร